มีความสุขกับหาความสุขคือทางแยกใหญ่สู่การดับทุกข์กับการก่อปัญหาเรื่องความสุขที่จริงก็เป็นบทหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วในพุทธธรรมเล่มเก่านั่นแหละแต่ก็อยากจะเขียนเพิ่มอีกบทหนึ่งหนังสือพุทธธรรมให้ความสําคัญแก่เรื่องความสุขเหมือนยกขึ้นมาเน้นหรือทําให้เด่นขึ้นที่เป็นอย่างนี้ นึกย้อนหลังไปคงเป็นเพราะได้เห็นว่าในหมู่ชาพุทธมากทีเดียวพูดสอนกันนักในเรื่องทุกอีกทั้งที่มากนั้นก็มากลายเป็นพระและบางทีก็มองข้ามเรื่องความสุขด้วยท่าทีที่เหมือนกับจะให้เห็นว่าสุขเป็นของไม่ดีทั้งที่ความสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพุทธศาสนาให้ที่ไว้มากในหนังสือพุทธธรรม ยกเรื่องความสุขขึ้นมาพูดเป็นบทใหญ่บทหนึ่งอย่างน้อยก็จะให้มองดูรู้เข้าใจให้ครบทั้งทุกและสุขและทั้งสุขและทุกนั้นก็มองดูรู้ให้ครบทุกแง่ด้านเพาะ อ, อย่างยิ่งท่าทีและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกต่อสุขนั้นให้ตรงตามหลักพุทธที่ว่าทุกขังปริญเยยยังทุกนั้นพึงปริญญา คือรู้เท่าทันทั่วรอบอย่างที่พูดให้ง่ายว่าทุกสำหรับเห็นแต่สุขสำหรับเป็นหมายความว่าทุกนั้นต้องมองเห็นแงม่มุมจับจุดจับปมให้ชัดจะได้แก้ไขได้จริงและจบสิน้นส่วนสุขเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาชีวิตของตนให้ก้าวหน้าในความสุขที่ประนีซึ้งสูงขึ้นไปขึ้นไป ทั้งที่เขียนเรื่องความสุขนั้นไว้เป็นบทหนึ่งแล้วแต่พอหนังสือเข้าโรงพิมพ์หรือพิมพ์ออกมาไม่นานก็คิดว่าบทที่เขียนแล้วนั้นยากไปหน่อยไปมุ่งไปเน้นที่ตัวบทและหลักฐานน่าจะเขียนเพิ่มอีกบทหนึ่งที่พูดให้เข้าใจได้ง่ายแบบจับเอาความหมายแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วหนังสือตายตัวนิ่งแล้วก็ต้องรอไปจนในที่สุดก็มองเห็นว่า จะไม่มีโอกาสเขียนใส่ดังที่หวังก็จึงหาโอกาสพูดไว้เอาแค่เป็นงานพูดแล้วก็ได้มีโอกาสพูดเนื่องในงวันอายุครบ80ปีของศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงกุณสาครธนมิตรแล้วฝ่ายญาติโยมขอพิมพ์ก็จัดปรับทำเป็นเล่มหนังสือไว้คราวนี้ก็เหมือนโอกาสมาบรรจบรับกันก็เลยนำเรื่องที่จัดปรับหญิงนิดหน่อยแม้จะยังเป็นเชิงสานวนพูด ก็ทเป็นบทหนึ่งของพุทธธรรมเป็นบทสุดท้ายหนังสือพุทธธรรมก็มาจบด้วยความสุขแล้วความสุขก็เลยมีสองบทบทเก่าของเดิมเติมชื่อแยกออกไปเป็นบทที่22ความสุขฉบับแบบแผนส่วนบทใหม่ซึ่งไม่ใช่เขียนใหม่ที่นำมารวมเรียกว่าบทที่23ความสุขฉบับประมวลความเรื่องความสุขนี้ ควรจะเน้นไว้หน่อยว่าพุทธศาสนาพัฒนาคนที่จริงว่าช่วยให้คนพัฒนาตนให้มีความสุขไม่ใช่พัฒนาคนให้เป็นนักหาความสุขคือเมื่อยังหาความสุขก็เหมือนบอกว่ายังไม่มีความสุขระบบการศึกษาในปัจจุบันบางทีดูไปคล้ายจะพัฒนาคนให้เป็นนักหาความสุขการหาความสุข มากมาพร้อมกับการทำให้เกิดความทุกข์รวมไปถึงการขมเหงแย่งชิงเบียดเบียนกันปัญหามากมายเกิดจากนักหาความสุขคนผู้หาความสุขจากการสร้างสรรหรือเสพสภาวะที่ดีงามก็มีคนที่หาความสุขด้วยการทำให้คนอื่นหรือผู้ร่วมโลกเป็นสุขก็มีแต่ไม่มากหรือถึงกับหาได้ยากพวกหลังนี้เป็นนักหาความสุข นับว่าประเสริฐดีที่สุดแต่กระนั้นถึงจะเป็นอย่างเลิศแล้วการหาความสุขด้วยการทำให้เขาอื่นเป็นสุขนั้นก็ยังมีข้อด้อยยังมีโอกาสมากที่จะไม่ถูกต้องไม่พอดีเพราะยังมองอยังเจือด้วยความต้องการที่เป็นความรู้สึกของตนเองซึ่งอาจจะบดบังหรือบิดเบือนทําให้ม่เห็นชัดเจนด้วยปัญญาอย่างบริสุทธิ์ ผู้ที่พัฒนาตนเป็นคนมีความสุขจริงแล้วเต็มอิ่มแล้วมองด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ล้วนไม่ป่วนไม่รวนด้วยความต้องการของตนมองเห็นสุขทุกขรู้เข้าใจความต้องการของคนทุกตรงตามที่มันเป็นจึงจะดับทุกขแก้ปัญหานำผู้อื่นให้เข้าถึงความสุขได้ถูกต้องถูกทางแท้จริงดังที่เมตากาลุนอย่างแท้มากับปัญญาที่แจ่มจ้าใสสะอาด